เรื่องเล่าผีหลอนตอนยันผนึกผีเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาตอนนั้นคุณวินเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี4อายุ22และได้มีโอกาสไปรู้จักกับพี่ผู้ชายคนหนึ่ง อายุห0ตสตนตนและคบกันในสถานะแฟนแฟนของคุณวินจะทำงานไปกลับต่างประเทศบ่อยๆและได้ชวนคุณวินมาอยู่ที่ห้องด้วยลักษณะจะเป็นคอนโดปลูกติดกันสองตึกซึ่งห้องที่แฟนของคุณวินอยู่นี้จะอยู่ที่ชั้นห้าคอนโดแห่งนี้อยู่แถวแถวถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี และส่วนมากคนที่มาเช่าอยู่ในคอนโดแห่งนี้จะเป็นคนที่กเกษียณอายุแล้วจะไม่ค่อยมีวัยรุ่นมาอยู่มากนักสไตล์ของห้องจะจัดเป็นแนววินเทจขาวสลับดําถ้าเดินเข้าไปในห้องจะมีทีวีตั้งอยู่ทางขวามือและโซฟาอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงเข้าไปอีกหน่อยจะมีหิ้งพระอยู่สองหิ้ง เอาไว้เก็บพวกพระเครื่องกับเครื่องรางและอีกหิ้งจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของล้นก้ารัชการที่หในตอนที่แฟนไปทำงานต่างประเทศคุณวินจะพักอยู่ที่ห้องคนเดียวแล้วมีอยู่วันหนึ่งคุณวินไม่มีเรียนจึงได้ทำความสะอาดห้องและไปเจอยันอยู่ผืนหนึ่งขนาดประมาณเท่าฝ่ามือสีแดง ติดอยู่ตรงใต้ฐานของพระพุทธรูปด้วยความอยากรู้แกก็เลยแกะยันออกมาบนผ้ายันมีตัวหนังสือที่อ่านไม่ออกอยู่เต็มผืนคุณวินจึงใช้ผ้าเช็ดแล้ววางไว้บนหิ้งคืนนั้นตอนที่กำลังนอนอยู่บนเตียงกำลังเคลิ้มหลับก็รู้สึกว่ามีคนมายืนจ้องหน้าอยู่ตรงระเบียงหลังห้อง จึงพงกหัวขึ้นมาดูก็ไม่เจอใครจึงได้นอนต่อและเช้าวันต่อมาแฟนของคุณวินก็ได้กลับมาจากต่างประเทศคืนนั้นเวลาประมาณตีสาแฟนก็ได้นอนละเมอพูดอยู่คนเดียวลักษณะเหมือนกำลังพูดโต้อตอบกับใครสักคนคุณวินก็ไม่ได้สนใจ จนเช้ามาก่อนที่แฟนจะออกไปทำงานก็ได้พูดกับคุณวินว่าทีหลังตอนกลางคืนอย่าไปเล่นโทรศัพท์หน้าโต๊ะกระจกนะไฟมันแยงตาคุณวินก็พูดว่าละเมออะไรหรือเปล่าเมื่อคืนยังไม่ได้ไปเล่นอะไรอยู่หน้าโต๊ะกระจกเลยนะจนแฟนของคุณวินกลับไปทำงานต่อที่อังกฤษวันนั้นเป็นวันศุกร์ คุณวินต้องอยู่ทำงานที่มหาวิทยาลัยจนดึกพอเสร็จจากงานเวลาประมาณสี่ทุ่มก็ได้ออกมาหาอะไรทานที่ตลาดแล้วก็ไปเจอกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ16หปียืนจ้องหน้าแต่คุณวินก็ไม่ได้คิดอะไรจึงเลือกซื้อของต่อแล้วน้องผู้ชายคนเดินพุ่งเข้ามาหาแล้วพูดว่าพี่ครับ ผมขอเงิน70บบาทคุณวินก็คิดว่าเป็นพวกเด็กติดเกมจึงไม่ได้สนใจแล้วก็เดินหนีแต่น้องผู้ชายก็ยังคงยืนจ้องคุณวินอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่คุณวินเลือกซื้อของเสร็จแล้วก็เดินกลับห้องก็สังเกตเห็นว่าน้องผู้ชายคนนั้นกำลังเดินตามหลังมาห่างกันประมาณ100รเมตร คุณวินก็กลัวว่าจะโดนจี้จึงเร่งฝีเท้าขึ้นจนไปถึงคอนโดก็หันกลับไปมองแต่แล้วก็เห็นน้องผู้ชายยืนอยู่ใต้ต้นไม้ข้างคอนโดหยิบหมวกขึ้นมาคลุมหัวแล้วยืนสั่นหัวอยู่กับที่คุณวินจึงรีบเดินขึ้นคอนโดไปกดลิฟต์แล้วก็ได้ยินเสียงตะโกนตามหลังมาว่าพี่ ผมขอเงิน70บาทกลับบ้านทำไมไม่ให้คุณวินไม่กล้าหันกลับไปมองจึงรีบเข้าไปในลิฟต์พอถึงชั้นห้าก็รีบเข้าห้องคืนนั้นตอนที่คุณวินกำลังจะหลับเวลาประมาณตีหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูหลังห้องคุณวินจึงได้ลืมตาขึ้นมาดูก็เห็นเงาคนด ำ, ดำ เดินไปเดินมาอยู่ตรงแถวแถวหน้าประตูหลังห้องคุณวินคิดว่าน่าจะเป็นขโมยแน่ๆจึงรีบลุกขึ้นไปเปิดไฟแต่ก็ไม่เจอใครอยู่บริเวณตรงนั้นเลยคุณวินจึงพยายามไม่คิดอะไรมากแล้วข่มตานอนหลับหลังจากวันนั้นคุณวินก็รู้สึกว่ามีคนอยู่ในห้องด้วยตลอดเวลา เห็นเป็นเงาดำๆแอบอยู่ตามซอกตู้เสื้อผ้าหรือตามข้างๆเตียงหนักสุดก็คือตอนที่คุณวินตกใจตื่นมากลางดึกก็เห็นเงาของใครสักคนยืนสั่นหัวอยู่ปลายเตียงพอรีบลุกขึ้นไปเปิดไฟแต่ก็ไม่พบเจอใครคุณวินจึงเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับลูกน้องเก่าของแฟนชื่อคุณจิ๊บ ตอนนี้ไม่ได้ทำงานร่วมกันแล้วคุณจิ๊บจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณสองปีก่อนแฟนของคุณวินได้คบกับเด็กผู้ชายอยู่คนหนึ่งอายุ18ปปีอาศัยอยู่ในห้องนั้นด้วยกันแล้วมีอยู่วันหนึ่งได้เกิดมีปากเสียงกันขึ้นแฟนของคุณวินก็ได้หนีออกไปจากคอนโดทิ้งให้น้องอยู่ในห้องคนเดียว แล้วน้องเป็นโรคหอบหืด อ, อาการกำเริบขึ้นมาพอดีจึงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จนเสียชีวิตลงในห้องนั้นหลังจากนั้นแฟนของคุณวินก็โดนน้องผู้ชายมารบกวนทุกคืนตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงเดินอยู่รอบห้องและเสียงเปิดปิดประตูห้องน้ำบางคืนก็รู้สึกเหมือนมีคนมาขย่มเตียงนอน พอตื่นขึ้นมาก็เห็นน้องผู้ชายกำลังกระโดดเล่นอยู่บนเตียงจนอยู่ไม่ได้แฟนคุณวินจึงได้เป็นเล่าให้คุณจิ๊บฟังแล้วชวนคุณจิ๊บไปปรึกษาเรื่องนี้กับพระอาจารย์ที่นับถือท่านหนึ่งในจังหวัดนครปฐมท่านก็ได้ให้พายันสีแดงมาผืนหนึ่งแล้วบอกว่า ให้เอาไปติดไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปแล้วดวงวิญญาณของน้องจะไม่มารบกวนหลังจากนั้นคุณวินจึงได้เอาผ้ายันไปแปะไว้ที่ใต้ฐานพระพุทธรูปเหมือนเดิมน้องผู้ชายก็ไม่ได้มารบกวนคุณวินอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าคุณผู้ฟัง